ด่านภาษี113รที่ชื่อว่าด่านภาษีได้แก่ที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงกาหนดเขตที่ภูเขาขาดก็ดีท่าน้าก็ดีประตูเข้าหมู่บ้านก็ดีด้วยรับสั่งวา่าจงเก็บภาษีผู้ผ่านเข้าไปที่นั้นภิกษุเข้าไปที่ด่านภาษีนั้นมีทายจิตจับต้องทรั์ที่ควรเสียภาษีมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอบัทุกก ทำให้ไหวต้องอบัตถุลใจย่างเท้าที่1ผ่านด่านภาษีไปต้องอบัตทุลใจย่างเท้าที่สองผ่านด่านภาษีไปต้องอบัตปาราชิกภิกษุยือนอยู่ภายในด่านภาษีโยนซับให้ตกนอกด่านภาษี <AP limitations> ต้องอบัตปาราชิกภิกษุหลีกด่านภาษีต้องอบัตทุกกฎ